ตอนนี้เ <watering>, ป็นเวลาสบโเวลาก็คือตอนนี้สี่โมเวลาตรงนทันทาเราเลยเป็นแชมปเด็ี่สวนะพอตอนทนท้าล้วนี้พาดจะทำยิงขึ่งตรงนี้เวลาเราขึ้นเดาใช่วันนี้ก็ขอแนะนำบรรดายยกผู้ ในเรื่องของอหลักฐานถูกไหมจะได้ราขึ้นหมดแต่ว่าตอนต้นเขาก่อนมาพั้งแค่มาคาดีใช่ไหมดูไหมตัวจำได้มมจริม ง, งามากอย่างนั้นยไหมเขาจะเข้าไปบอกปุ้งแต่หรับแก๊งเดยมที่มาใหม่เขาแค่มาไม่ทา ว่าคำว่ากรรมฐานหมายถึงกรรมฐานที่แสดงร่วมกันถ้าจะถ า, า, ารรมว่ากขปฏิบัติทังไงก็ขอตอบจ่านต่ายง่ายราดัแ บ, บแรกปฏิบัติเพื่อเห็นนะครับโดยการยึดเสียงปฏิบัติเพื่อปิพัติโดยการปฏิบัิกรรมฐานนี่มีความสำคัญมากเพราะว่าคนเราทุกค น, นถ้าก่อนจะตายถ้าเิจากอรมณนี่เป็นบาปอย่างไดยัง ในสนามแม้จะกตายอย่านี้ไปแล้วไปอคุณแน่คุณไม่ได้ทำมุ่มากไปังใดก็ตามต้องไปไปต้องระล้กก <workout. S 1> ่อนต่ถ้าว่ะไราทำงานเต็มมากแต่ถ้าว่าบางเอืนขณะตายอิจขึ้นมุ่งก่อนเไปสมัยก่อนเพราะในวัดใหญ่ยิ่งคนที่จะมีผู้ที่เดียวจะมีฝ้านตลาดคุณไม่ว่าจะากมากจะมีุ่นร้อย เขาเชืุ่มองมเชืุณไว้เปรยเพราะอย่างยิ่งการเรื่องทุกคนตั้งใจไว้ฉพอปฏิาณซึงแม้เลียนมลียนน้อยแต่กสามารถปฏิภาณได้อังีคกห็นด้วว่าในกัดตูยังมีพเจ้าไทยองค์แรกมีพระยาจุินทที่ห้าทุิยสองมีพราจนที่ห้าต้องมีข้าวบันไดระดับีห้า เวราตัดน the er the the ี้ผู้หมดอีดึงมีพระเจ้าสุตลมแต่ตัดฟางตัดก็ไม่มีพระพระพุทเจ้าเลยเพราะว่าทางก็เราทำบาปเรือมากแต่พระเจ้ามนแนะนำบอกว่าถ้าหลายหลลอย่างนี้ถึงความโตต่างกแล้วทําพราความโตคือบาป่างกันชรถ้าก็่ยมนั่นคืมนนความะฟัีอย่างเดีวแต่พระพเจ้ามันแนะนำให้เดินภาวนาหนึ่งการไม่ทาน ต้รักษาถึงการที่เราภาวนาาเราให้ใกภายเราการถึงสออย่างเราลง่ายถ้าทุกคนภาวนาก็มาถึงถ้าจะลงทาจะลงถึงซึมเยื่อปีกใจสศหมองไปสรวจใครก็ว่าเห็นผ้าเดียวหรือผ้าจัดบ้านยังไม่ไ้แลงนอนถ้าเราดีภาวนาด้วยอันนี้ไม่แฝงนอนนะจะไปจะรักษาถึงวันยังไม่แงนอนเหมือนในเรื่องสออย่างพระอ่อนนะ ก้าวเองโคจะมาสืบสืบทานถ้าใช้จิตสงงรานไว้ทุกวันคำว่าทานมีสองหนักใช้เวลากับเราปุถคิดไม่ถูกหนว่าเราจะเจอสมาธิตั้งใจภาวนาเรโควรตั้งใจทุกอย่างเราไม่จะรู้ตัวนะรู้ตัวจะเปานเราต้องทำแรกถ้าเราตัางใจจะรู้ไม่ปกติ วันหนึ่งเราสามารถเรทยนทได้สราติดาตีนี้ดติดาตามหรื่อาจจมีเวลาน้อยก็จะละเรูพิจัรึาหมอนแล้วเวาตุทให้ใจเข้าถึงก่อพุทโธแล้ออกแล้วพุทโธแต่เราสามารถทาได้ไปพิสูจน์ผ้าวุติรูปวงใดลงทดียวเท่าไปเชีวัดไหก็ได้เ่ียวเท่ตรงไหนก็เว่าความพิสูจน์่้าตงนั้นแร้วเวาพุทโธใจเข้าในพุทโธแล้อย่างนี้ทุกอยง อันอย่างนี้ไว้ก็เป <iente> no ็นวาจิสิ่งถาไมจริงไหมาระวาาชา่ิศักดิ์ถึงหมอนอะไรพระนารวตตันั้นอย่างนี้เอารูปชางิถ้เรูนชาตอย่างนี้ทุกคนไม่จะบาปมากขนาดขนาดไหนพระตามก่อนจะตายแทนที่เห็นอาชีบาปถ้ารบาปบไม่เข้าไม่ได้มันจะมีเดชะของบุญวันไหนเรจะตายอย่ตอนนั้นไม่ก็สอสามวัน ก็จะมีรถทิพยระละมีขบวนแห่เ n ็นกา s นาประจะมารบระลังอย่าง้อยันนในั่งปนคาณาตุปณาุทนยันอยูก็มาเพื่อมากาทวตัวนั้นอยู่ังใคอยู่นไปกันดย่หนี้พวคนไปตัวแน่ก็เรีนการภนาเนี่ยอย่า้ อาลัสามากทำกิจวัตการได้ก็จะไปสวรรค์ได้เป pues ็นอย่างต่ำนี่หมายควายธรรมเาไม่านการอ่อนแค่แห่การวัสมาดินะถ้าเป็นทานจริงๆอารมณ์โลงโลงจริงๆในขณะนั้นเราก็นปบุกตนก็เป็นที่คูที่ง่ายๆทู่พระเจ้าสมเดตจตาของเราจะเรียกว่าปรเเถานหลักขั้แรกให้ทุกคนเนุ๊บสมติรู้รือใหญ่โ เป็นลายใจเข้าเหวื่เข้าไมใจเข้าดห้่ใจออกเพรนี้คำาวนานี่ยไม่จากัดใครจะภนารอยก็ไม่่เรือตามนาดเจ้าก่อนภาวนาเนี่ยต้องรู้ยากก่อนถ้าดเน่้องรู้ว่าใจผิดก็ผิดก็ผิดพูดตามปกติี่ภานาว่าตามท้องี่เป็นบเลื่อญาติโยมนะจนตอนที่ไปก็จะได้วลาภรวนาเพือจะใสง ก็ตามใจใยากโยมถ้าอยู่ที่บ้านใช้เวลาตามชอบใจเวลาอื่นไม่มีก็นอนเยอะๆนะตอนที่ศัาากดิถึงนอนเรรมดากโตทันทีเมื่อถึงบ้านเราก็รูใจรงไหนึ่าถูกเลยลออล เ, เยววน่ที่เรต้งแล้วกสังเกตว่า ข, ข, ข, ข, ขั้นหนัที่เราควรจะรับจิดรอโยาะสมใจขั้นไหนขันมือสามขันขสนหนึ่งขันสองสามยู่สามขัน อ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย่างยาอย่างการอย่างละเอียดขณะที่ภาวนาอยู่อิกหลับหลับจะต้องสมนนาร์ขณะที่หลับอยู่กี่ชวโมงก็ถือว่าท่นานทรงฌานนั้นอยู่ตามเนั้นถ้าใจเริ่มจะหลับจะไปตับผลุนฌานเ่อตื่นจา ก, กคีตองตื่ถ้าตืนขึ้นมาได้วต้องบังคับให้ภ า, าวนาแล้วแสดงว่าก่อนจะหลเราเข้าทุงขันยา เพิมมาได้เตัมเต็มที่มันพอไยเองวันนี้ก่อนจะหลับเขาพิจารณาการไปเติมกหลับขึ้นอย่มารายมานมาโดยยังต้งการอะไรอย่างนี้ไม่รู้วู่ตรงใครรัฐการนี้เจ้าไรรัการตรงใคนื้อากภาษาญี่ปุ่นใต้ร้ึกษาตัวก่อนภาษาญี่ปุ่นบุคคลใดทอนนานแต่ทีเองวันหนึ่งต้องขนาดกินึง พตาข้อถือพวกนั้นพกิบิม่ราชกาาดมาทีนีเพื่อป็นทาทที่งแมาพว่าหลแรกแยกสองผู้กันนะที่เราจะเป็นกระขกันพระตาแ่ในภาพในโสถ้าอยากต่ต้องงจัดระบ้านเป็นเปลือกบ้าัย้านเป็นตัานบ้าน ถ้าเราทำตามดีเราจะเป็นมนุษย์ต่างัา่งจะเป็นคนางม่ไปผานต่างดังนั้นรไม่อยากานี้จนเนอ่งทว่าเราทำบาสมากกว่าทบุญให้ทำให้บาปเรื้ัอย่าตามนิสัยตวิาสอนเวลาที่เราานา้องนิสัยเฉพาะอย่างเดียวอย่างนี้ทุกคนจะ่ตอนนี้ไปข้ารับส่เ ก็เป <ờ? S 2> ็นแบบขัจัขอทุกคนหวังความเป็นพระอริยเจ้าระดับแรกหนึ่งก็โสดาบันพร้อมด้วยการคาบีการนากาบีที่อรหันต์การเป็นโสดาบันไม่ยากว่าคุณก็แล้วอยากไหมไม่ยากฉันว่าไม่ยากไอ้ว่ายากหรือเปลมา เราดาปันยังไม่ยากเล้วพราถิดาปันสำคัสิ่งทาตามทีรู้จักรู้จกเราะเราเถิดาปันดีท่าศิษย์คาคาเลคนดีไม่ว่ามีศิลป์ี่ยคนนะมีศิลป์แต่เขาต้งมีสมาธิแบบน้อยเดือนเดีเองน้อยเดเดียวสมอต่อตอนสี้ราวำะไ่ดามสาอาจตัดจจะโอมตัิเดียที่แบบจงกรายิ มีความรู้กว่าชีวิตีมันสงตายถ้าเรามีควไปหล่าจะพบทายกนเลยซึ่ว่าท่าตายเมอไรเขาไปมันั้นนยาจนเลยแต่ในกรณีสองมีความรู้ในพระพเจ้าในพระธรรมในพระอริยอยงแท้จริงนกรณีสามมีสิ่ง้ามไสุดแค่องในตวการจะต้องาีมส่งขไ แต่จึงอย่าถว่าเป็นเจตนาการทุกคนถ้าต้องมีแห้าบริบทตามที่แม่ดังกันได้จิตยังไม่ถูกปฏิบาตยังไม่แก่โป็นเจนาถ้ามีถึงห้าบริบทด้วยมีความรู้ข้นและธรรมะให้สมด้วยทุกการตายด้วยในขณะตอนนี้เป็นโจตนาบันจิตจะเข้าถึงโภชนาโภยก่อนสเหรับโภชนาโภยที่มาด้วยวันที่วาน ขกลางนเดอัยกาเวลาน้นจิตใจจะรับ้ยอย่างเดียวไม่ปอกานรนโลกหรโลกของลกหลังจนั้นเมื่อจิเขาันอาจิตจะอ่อนตงนันหมายความว่าความรักในว่างเพศยังอยู่ยังแต่งงานอยู่และพาดไปน้อยไป ตามอยากย่ำยยังมีอยู่จะใครก็ควหายไปตามติวเองยิ่งเป็นับใจกวาเดิมตามยิ่งอยากเจริญยิ่งยังมีอยู่จะเป็นเรื่องความตายอั้นี้เราเข้ามาสุดใเราว่ากันด้วยนกาคาดีเราัาดกยรเรียนรู้การดำเนินญาติอยู่ถ้าเราเรียนรสุดใจการนิยสมาธิยิ่งขึ้นกอรเปนวายก็ยิตงน้อยไป แต่กายเ่อเราไม่อิตไใสร่า้แต่สมาธิเมื <t> ่อจเมื่อเย็นปัญญาเกิดมากก็มือถึงความไม่ดีต้องเอาความจิตันไหลนไหลเราต่อน้าวันถือแค่ให้องเรเข้ามันีเายงไวเท็จตัวยืนทนทั้งวันอะไรก็ตามยังชอบใจมันมาดูว่ามีการมีสติอะไ เป็นเจ้าพักของใครเนียเป็นยังไงประกางฉันไม่ต้งการไม่อยากจะได้ใจจะกอบเราอย่างนั้นได้เราชอบถ้าเราหาได้เองเรากอบเราหาไม่ได้พวกเขาน่าไม่สนใจล้วเ่อไปเอาโกรเอาโกรธจมือเล็กน้อยย้ำเอาโกรธแต่ว่าเป่าโกรธไม่มีเปลาคามากายไน่มีโดนได้ก็แล้วกันไปเรยเห็นหน้าเรามันก็ยิ้มได้ เราต่อไปต้องมีความเห็นแไม่ขัดอพิจารณานะคุแค้นี้เราต่อวิจารแล้วมัมีสภาวะทมีการเหก่ไมขัดขอพจารณาเนี่ย้ว่าดีนะครับว่าไม่มีโชคคนที่ไม่รู้ทีว่ามาจากท่ประสาทที่ราทแนีตาการมีนิสัยสูงจะมีเรื่นงคล้าดาาคารี เมื่ออะไรยง่ายๆแกไขคงระบกคนอันินทาก็ดูคำนั้นเจอว่อยูว่าจะวัาอัตมาดีกว่าวาจารีคนตามาถ้าจำได้เราเจอเราไม่ชอบแกนะถ้าเป็นแค่ที่ท่าทางมีท่าประกายเนี่ยเท่าด่านสุติไปก็ไม่ตอบนี่ใ่ไหม้า่อไปย่นี้ม่ต้องสุขีปเกิลยจำไม่ส หรือ็ร kind of ู hill, trail, Then, right, matters, ้จักธรรมดาทุกคนพี่รู่จักจะตัดความมั่นสุขยอมเพีโตวคนที่ไม่รู้จักไทยเลยก็มีเยอะแต่จะมีเรื่องอะไรที่เราจะาัฒาทุกถ้าเเรียกันู่เราจะเปนอะไนเราจะีการทางโลกถ้าเรามีเขาติดเขาเรียกเราจะมีการทางโลกจะอีกเรื่องหนึ่ที่เรปฏิบัติของเราอาตมตงตองแค่นี้นะ แต่ยังมีก็ไม่มีน้อยความรักความร้ความเกลื่อนกล้อนี่มันต้องใช้เวลาจะเป็นเลยอารมณ์ยืนมีเกิดไปแล้วเขาระอารนี่นะตอนที่เป็นอนาชาตนี่ก็เพื่อำนาจอีกสองตัวเพื่มหนึ่งกับการไก่แท่งขันได้กายเป็การสิทธิ์คือไม่คิดตายเอาตัวเป็นกรรฐานให้กลายเป็นว่าร่างกายสมบูมณ์กาไกาเรากายสองสมบูร เลยต้องตาดเในที um ่ซ้อมตโดยตัก็ตัดไม่ยากเลยมันโดวร้ายสุดทีนะถ้าเราดูเป็นตามแบบถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเพื่อทำได้ก็จะลดปัญญาเพื่อทำได้ก็จะลดอุปามีเรื่องาคาบนนี้นะต้องอย่ารีบนอยแค่เราตัดนิดเดียวร่าแกายตัวส่วนมัวแต่ในนี้เป็นตัวตนวัตถุาตกางในโลกของตัวตนต้องยาวตัวตมหมด ก็เลยเมื่อวานต้งแต่การเี้ยงไอ้ความโกรธแารนี้คนอ่านีวก็เชื่มมันกลังแก่กาเริ่อความโกรธจิตใจด้เด็นมากขึ้นดนั้นท่านเป็นท่านนาคาดีทากายอยากพาดคนเป็นเดเปนธรรมดาแวผมต้นผันเลยผันอ่างไม่จับมือแต่ต่อไปเองในสุตติ วันนี้เยอะกาอรัญอาจะมากนะยิ่งเรแข็งก็เลยครับใต้เปก็อรัญเยอะกว่าท่าข้อขอที่หนึ่งราคัดข้อทสองอรูราคัดข้อทสามมานะข้อีสี่รุษจักรขอที่หาอุทานตุมราคัมาด้วยหลงในรูปธรมเราเคยสงฆ์านกติ อาการแน่นอารแณ์หนักประเด็นพอถึงขั้นในพะอริย่จาอการตัวใจเองมันจะเบานอนตั้งแต่ก็หลับไหลขึ้นมาเลยถ้าเป็นทางโลตีอารมณ์จะหนักแน่นมากเราก็เีความคล่อยใจมันก็ไม่หลับที่ทำให้แน่นเลยปรเด็นพเข้าเสพก็ในพรอริยจ้าเป็นดญมากที่ไยาอาตัวเองสมาธิมันจะมารมเบา เอาแล้วรงตัวแน่แต่ความรู้สึกมันเบามากถ้าธรมดาวันก็เบามันหน่อยคือการานี้มันเบานิดหนึ่ง่านาบีมนเบามากแต่นะยยาวงเลยเกิดในรู้สึกตัวทรีจะกินงตัวในการกินทรงตัวอินทมีการเราจริงปุณีอยากจริงอยากปีเรากินแค่ไหนเราต้องประตัวปุณ การเปินทานเป็นของดีอย่างเีร้ายที่สุดท่านเกิเป็นคนอ็เป็คนที่มีกำลังดีมีพลินิยมดีถ้านเกิดเป็นนายเรือนาวินายาวฟ้าตัวนี้ที่เรือนาว่นเกิดเป็คนที่มีพลิติยมดีม่เร้าหลวงโตอิาแต่ละชาติไม่สามารถจะทำาราโน่นทานได้เราจะใช้ทานเป็นกาลังเท่าข้อดีวัดนาายักษานชีวิต ไปใช้หลวงเทวาานที the, the less, the, the the, the ่พอดีแล้วค um ุณทานเร้ Jaime ่ยังดีแต่พอมันเอื้อให้เราดีเอกั้นจำจะเรื่องต้อมีควาใช้ปัญญาตัดความหลวงในโลกชาตเนี่ยแต่ไม่ใช่การทานจริงนะให้ทาตลอเวลาแต่ในหลวี่แค่นั้นเราต้องการอะไปาเพราะตอนนี้มันยากเลยคืว่าเตรียมใสเราต้องใเล็กเด็กบางบางเบา เรื like ่องใหญรๆเลยจะทำให้เราคนนี hands hands ้ตอนนีจำเป็ต้องเรายนรู้เกี่าวกับการและวเรื่งนี้เราควรสะตัดะโยชนที่ว่ารูปแบบการนี้ไม่สามารถจะพาเราไปผ่านจากรูปแบบการเราจะเป็นุนแค่คนรู้บทคามถ้ารูปแการจะเป็นแค่เดียวแล้วเราบอกว่าไม่ใช่เราไม่จการในทางดีเลยเวลาตัดตึ้งไปเราคือพอใจถ้าเราอยู่ในยุคไขว้ ให้ทารแต่ไม่โสในานคือว่าเป็นยังไงก็ทาไปต่อไปกตัดมานักการถือวหรือตพราเราดีว่าเขาบ้างเราสมัยเขบ้างเราดีเาบ้างอย่างนี้ทาอะเราชอบมอแต่การมริงทุกคนทุกคนเน่ยมันจะีๆกันไปทำไมดีๆรื่องกฎหมายทุกขันทาขนทุกคนมัมีการตรงตัวมีพาเกลือเรื่อง่ี้ต้น มีความแกะต่อไปนกันมีความปวดไข้สบายหู้กันมีการทักทาจะเอาละคุ้มกันความรักใจนูกันเป็นปการังด้วยเปความบาดทั้งเราทั้งเขาไม่มีใครดูแลและก็ไม่เห็นไม่ได่นเหมือนกันแต่สมัยนี้เขาไปนเรื่องเราไปด้วยเขาไปสวนหนาขาได้วยที่มันไม่เหมือนกันใช่าหมไม่สนใจเรื่องหวดเลย ทั้งเรฐานะขนาดไหนก็ตามตอนกาเาพกได้ก็มีบรินะาีายเรชาสมะเนู่ยมว่าิใจการลงทุนไม่ได้ไหมก็ได้มการอยู่เป็นเพาะว่าสัครเพื่จะเผลแล้วยังัน ถ้าคนงใจท่านอยู่มาตุงใจเดจ๋ยวก็คือว่าเวลาี่เราไขนาดนี้แล้วมันคอ่าใคมันจะดีนะเพื่อแคสบายบ้างบ้างร้อนเรื่ไปบ้างหนาเืองไปบ้างตเรู้นว่าถ้าเรายุดแค่นี้เมื่อตายเนี่ยความเป็นคนแล้วเริเป็นคนจากคนก็เป็นานไม่เหมือจากู่ตุงใกอย่างนี้นะไม่ตองารยัง ก็อยากจะทำต่อไปเพราะร่างกายมันไม่ไม่ให้ประโยชน์ไปฟังทำเ่ให้ละเอีว่าเรารร้เงินไปบ้างน้เงินไปบ้างจิตมันมันม่มีสภาพราเรียบก็อยากจะเรืแต่กระทำราก็ตัดตัว่ขึ้นไปมะนั้นเมือกสาดใจที่โดนใจไม่มีโบเราจะไม่ยอมเรื่อ่างเราเคลีบาอะไรถ้ามยจะมโลกเไม่อมาให้เวลางาน ตัวเราถงมีในความเป็นติ๊กไปตัวสมาให้จริงถ้าใจเราไต้อาหน้าตไปเรือนี้แจกรีโวยเรืองนี้มีแต่ความตัวิดแต่ว่าตัไม่จะถูจริงยังมีเรืองอะก็จอถูกจคิดต่อที่จิงอยู่ต้อบริการไม่ได้ถ้เ่เยอะมุ่งหน้าทำต่อไปใจอจะยงีงกันย เราไปพืับตัวให้เรารวิชาเรืมังไม่อยากเป่ยนแปลแล้วทางเารวิชาเรือแบบเราไม่รู้แต่ไปดูเกาจะโตตัวไปเร้ไม่หมดสำหรับคนที่เกิดมาไม่รู้อะไรไม่มีไม่รู้จะพ่อไม่รู้แม่ไมรู้จะอยู้เรื่องธุระที่ร้อนไม่รู้แต่อารตา้งรู้ในเรื่องนี้คือกามเรื่องเรื่องิชาได้ในบาหลีในคานธิรัก ในเรื่องของพระเจ้าสมองของขันธ์ที่เจ้าของสมศักดิ์ดูจาขันธ์เ่ารนะฮะนันันธ์มีความพอใจสมมีพระราามีความรักในพรระานในสุญนั้นขันธ์คีอความพอใจในกาตุนุตุรีพระเจ้นดาริโุรีไม่มีเลยเราตัไปถาความมีรู้จะเป็นเรืงความรู้มีรู้น้อยมีกู้เวทนามาก การทั้งมีชีวิตมานะขนาหนก็ตายก็ต้องมีผลมีพาเกิดขึ้นและมีวาม่วยแย่ไมสบายมีพาศานาไม่สมัยสีพาวัดข้าดกับอำนาจของใจหรือบางใจมีผลความรู้กาันทกทั้งหมดจะไม่ตกับถ้าไปสวรรค์่พร้มีความสุขจริง้สุขไม่นานัมีวาขึ้นวายอยู่ถ้าตกใจมีการัขันภรในพาเัวนึกตะโลก เรื่องว่าพอใจในความรู้เวลาเรคงจะื่ไปต้งกทนตัวเวลาคะเรงว่ามนุษย์โลกเป็ย่างที่เป็นในความเป็นผานไม่มือนเรสมัยมนุษย์โลกสยจริงแต่ผลาเรางต้อันหลังจากนั้นเริ่เขายาั้เยเราิว่างเสรร่างกายของเรา แต่การเลี้ยงกายกได้ไม่เลี้ยงกายก็ยังได้มีทุกตัวยังมีทุกกายอยู่คือเรื่องพวกนี้กเขา็เราสำคัญมากต้นกายหร่างกายก็เป็นร่างกายเมื่อันเหนือยร่างตายเปื่อยแลวก็แก่แก่ทุกวันเกิดมาหนึงวันก็แก่หนึางวันเปิดสองวันก็แก่สงวันเปิดสหบืนก็แก่สิบมันแก่ทุกวันในเครื่องในกันจนจนความแก่อยู่ เาตืร่างกายอย่มความหรือความหายทําหนาความร้อนทีท้ามสบามันเป็นในปันธรรมดาของมันถ้าเราได้าหน้ากายเราปวดร่างกายเราไม่ทำในการรักโลกอาการผู้นก็เป็นเรืองธรรมดาที่พระเจ้าปรึงใครที่ร่างกายอาการปวดกขึ้นอยว่าธรรมดาของร่างกายมันร่างกายของเราไม่ได้คนเดียวกันเราอยู่ในสังคมที่เราต้องเรียรู้ แต่ขนาดปฏิบันิได้ดีเท่านี้ก็ถือว่าเป็นคนมารักกายตัวเองเปนคนดีทีางกามีเลอดก็เดหน้าที่ทุเม่อปวดไอ้วอนนั้กาาจะกระจายต้ากายธรรมดาร่างกายจไปอะไรอะไรอะไนมันาที่นี่านกตอนนี้ก็มีจานปวดทุ ก็เรืองานมีัวรักาทุกใจต้องมีหมออยู่พอรักาแต่ว่าทำไม่สนใจเมื่อเวลารหนึ่งรู่วนไปเวลากเจารู้ส่วนทำไมคัามส่วนะที่พุทธคุยยาต่างกันเช่นนี่คือถ้าาเชนนี้ถ้าไม่วนน่ะจะให้ที่พวมาอัดไม่ร้วนเลยต้องเรียนรู้ส่วนก่อ อันทงที่เกิดมาเรือยตั้งแต่เครื่องตางในรดียกน็ว่าถึงมาที่ปัญญาเราต้อ่อว่าหน้าใจที่้ก็ปวดแต่ถ้าไม่ปลใจมันหน้าที่ท่านหน้าที่คนในโลกเกิดมาทุกประการเวลาดเหมือนกันถ้าเราไูื่อมก็ต้องถือว่าเหมัไม่ได้แก่ก็เกม้งมันมันจะดีหรือจะาย่ถ้ามันจะแยดี ตาไปไปเราคอยแก้เรื่องไฟความรู้ในด้านใจเขานี <ator> ้ท่อาจาร์อาจาร์ที่คุณเคยวางเฉยใครจะด่าใครว่าไอ้กุ้ายเเนี่ยรนดาถ้าเราด่าเขาเขาเกิดรากน้อยแพ่อย้ำาบอกด้วยพยามาเรือยเรื่อยถ้าเราด่าเกิดบามากมอมพย อาจารย์ด่าเขาเขาด่าอาจารย์ด้วยนะขึ้นไปทำมิรฉหลวมต่างคนต่างเสียใช่ไหมนะถ้ากูด่าเราไปเลยาไมด่ากูทำมิจฉาหลวมเขาเสียไปหมดใช่ไหยให้ดูด้วยกันถ้ากูด่าเขาจะแก้หลูมเ่าทัางในโลกตัวเราหนักต่างมากตันหนักน้อยตัวเราทราว่าวันนี้ก็แนะนำท่านจบขนาดนี้นะทุกคนแย่างนั้ใช่ไหม แค่ต่างประเทศ